ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดท่านพูดเสมอเวลาเทศไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัสท่านจะนำออกมาพูดเสมอทั้งที่เขียนไห ม, ไหมไในมตุตตตไทยก็ดูเหมือนมีแต่ท่านท่านไม่แยกท่านพูดรวมรวมเอาไว้ไม่เวลาเราเขียนเราถึงแยกออก คือผู้เขียนันะ้นไม่ไม่แยกกันมตุตโตไทยก็าไม่แยกท่านพูดบางครั้งท่านก็ไม่แยกแต่ก็ทราบได้เพราะยกต้นขึ้นมาแล้วกิ่งก้านก็มาด้วยกันวัธรรมของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่ออาศัยมาสิงสถิตอยู่ในปุถุชนก็กลายเป็นธรรมะปลอมนัน เมื่อสิ่งที่ถิ่อยู่ในพระยบบุคคลจึงเป็นธรรมจริงธรรมะแท้นี่ท่านพูดรวมๆเอาไว้คำว่าอริยบุคคลมีหลายชั้นระโสดาก็เป็นพระรยบบุคคลขั้นต้นสกิทานาคาอ ร, ร, รหัตเป็นสี่ เมื่อแยกแล้วก็พระโสดาผู้บรรลุพระโสดาบันธรรมะในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมะจริงธรรมะบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาแต่สกิทาคาอนาคาอรหันในธรรมขั้นหลังพระโสดายังต้องปรองแม้จะจดจําได้รู้แนวทางที่จะปฏิบัติ อยูก็าตามก็ยังปรอมอยู่ทั้งรู้ๆๆถ้าสกิทาก็ยังปรอมอยู่ในขั้นอนนาคาอรหันต์ถ้าอนนาคายังปรอมอยู่ในขั้นอรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วนั่นแหละทมสมบูรณ์เต็มส่วนภายในจิตใจไม่มีปลอมเลย บางรายก็ค้านมาทมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของมริสุดอยู่ที่ไหนต้องมืิสุดเช่นเดียวกับทองคําแม้จะตกลงในตมในโกลก็ต้องเป็นทองคาจะไปตมไปโกลนไปไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกหนึ่งทองคําก็ก็ต้องเป็นทองคําแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีตมมีโคลนติดเปื้อนทองคํานั้น ทองคำที่มาด้ตกในตมในโคลนกับทองคําที่ตกในตมในโคลนมันต่างกันยงหรือไม่มันต่างกันนอันหนึ่งทองคําที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันหนึ่งทองคําที่เจือไปได้ตมได้โคลนเราจะว่ามันบริสุทธิ์ได้ยังไงนานถ้าเราจะแยกออกมาพูดประการที่สองเช่นเดียวกับอาหารของเราที่ควรจะ ก, การรับทานแล้วหยิบยกขึ้นมาจากภาชนะกําลังจะรับทานแต่ถ้าตกจากมือลงไป ถูกสิ่งสกรปรกไปเสียอาหารแม่จะควรจากการรับทานก็ไม่ควรเพราะมันเปื้อนสกรปรกไปหมดแล้วนั่นหรือภาชนะที่เปื้อนอาหารจะสะอาดแค่ไหนก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ภาชนะที่เปื้อนแล้วอาหารนั้นสิ่งนั้นต้องเปื้อนไปตามแล้วมันบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อมันเจือด้วยของเปื้อนอยู่เช่นนั้นของสกรปรกอยู่เช่นนั้นนี่ธรรมะของอุเยกขก็เช่นเดียวกันภาชนะก็หมายถึงใจ มีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรแก่รรทำทีนี้ใจยังมีความสกรปรกมากน้อยเพียงไทรทำที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสกรปรกไปด้วยนั่นท่านเรียก ว, ว่าปลอมหมายเงินไม่บริสุทธิ์แ <c> ค <oughs> ่ทีนี้แยกจากนั้นมาเช่นมาดูในคำพี์ใบใ บ, ใบลานตามตำหักตำลาก็เป็นธรรมแต่เราไปเรียนมาจากนั้นมาจดมาจําหัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลส ทรรมทีเข้ามาสู่จิตใจของเราก็กลายเป็นทํามจดธรรมจำไปเสียไม่ใช่ทําจริงนั่นหากว่าเป็นทําจริงแล้วต่างคนต่างเรียนมาได้เดียกัน ท, ทําไมกิเลสจริงไม่หมดจากหัวใจเต็มใจอยู่ทั้งๆ ท, ที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงนิพพานแต่ใจก็ยังไม่พ้นจากความมีกิเลสจิตเต็มตัวนี่มันตอมอย่างนี้เองหากว่าเราได้นําธรรมะของพระพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติออกแสดงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วธรรมะจะจริงไปตั้งแต่ความจดจำเพราะจดจำเพื่อจะเป็นแบบแปลงแผ่นถังจริงๆไม่จดจำศัพท์จะว่าจดจำแล้วไม่ทาตามแบบแกลงแผ่นถังเช่นเดียวกับบ้านของเราจะมีกี่แปนก็ตามมันไม่สำเร็จ เป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาได้ก็มีแต่แปนเท่านั้นกี่ร้อยกี่พันแปลนก็เป็นแต่แปลนเรียกบ้านไม่ได้จนกว่าผู้นั้นจะถูกสร้างบ้านหนังนั้นๆขึ้นมาตามแปลน น, นั้นๆให้สมบูรณ์แบบตามแปลนแล้วจึงจะเรียกว่าบ้านนั้นสมบูรณ์ได้การจดจําเพื่อจะไปพิสปิบัติเป็นอีกอย่างการจดจําเฉยๆเป็นอีกอย่าง แต่ยังไงก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติต้องได้ปฏิบัติการเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวธาคือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ต้องสงสัยก็ต้องเป็นไปโดยลาดับต า, ตามความสามารถแห่งการปฏิบัติหากว่าถ้าพูดเราได้หยิบยกปริยัติและปฏิบัติขึ้นเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญภายในตัวสมกับศาสนาเป็นของสาคัญแล้ว ศาสนาหรือบุคคลจะเป็นผู้เด่นด้วยคุ ณ, ณธรรมเด่นด้วยความประพฤติเด่นด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมมากมายกายกองทีเดียวท่ น, นี้ศาสนาก็าสักแต่ว่าจําได้มีในคำือไบลามเฉยๆตัวคนก็ไปอีกแบบหนึ่งการความจดจำก็เป็นอีกแบบหนึ่งภาพปฏิบัติก็เป็นแบบมันเข้ากันไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนภายในบุคคลคนเดียวนะั้น ทีนี้ก็ทำให้เป็นการแสลงแทงตาแทงใจของคนอื่นสะดุดใจคนอื่นแต่เหมือว่าทำไมพระพูดเราว่าถือพุทธศาสนาแล้วทำไมจึงกลับเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันถูกเรื่องของเขาที่เขาตําหนิเราหาที่ค้านเขาไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอม ร, บรับเพราะหากได้นําการปฏิบัติออกเป็นคู่เคียงกับไปยัิแล้วผลจะพึงปรากฏ สิ่งใดที่ปรากฏขึ้นด้วยใจจากการปฏิบัติได้รู้จริงเห็น <c oughs> จริ ง, รงตามขั้นตามผลของตนแล้วจะพูดได้โดยถูกต้องตามหลักแห่งการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมาชั้นนั้นๆไม่สงสัยแล้วการพูดก็มีความอาจอาจหาด้วยเพราะรู้จริงๆเห็นจริงๆแต่สะท้สะทานที่ไหนไม่มีทางจสะท้นสะท้านเพราะไม่ได้รูปได้ครับไม่ได้ไปยืมเ อ, อของถ่ายมาพูด เอาออกจากสิ่งที่รู้ที่เป็นที่เห็นที่เข้าใจแล้วมาพูดจะผิดไปที่ตรงไหนแล้วจะสะทกสะท้านหาอะไรเพราะต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วเราก็รู้ความจริงตามกาลังของเราพูดออกตามความสามารถของตนจะมีความสะทกสะทานที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทราบว่าพระองค์ไปยันเรื่องพระนิพพานมาจากไหนนักมีองค์แปด มัชิมาปฏิบาาัตาภคก็ไม่เสื่อมมาจากที่ไหนทรงขุดค้นขึ้นตามกาลังความสามารถของพระองค์จนประทั่งได้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นที่พอพระไทยนี่นํำมาสอนโลกได้ทั้งนั้นใครจะได้สามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าตระทังที่ไม่ทรงเรียนมาจากไหนยังเป็นสัพพัญญูรู้โดยพระองค์เองด้วย ในศาสนาถ้าจะกจะให้มีคุณค่าสมกับศาสนาเป็นของมีคุณค่าแล้วคนก็ควรจะทำตัวให้มีคุณค่าขึ้นมาตามหลักศาสนาที่าำสอนไว้ภายในตัวเองก็ได้รับผลรับประโยชน์ไม่ต้องแบกคัมภีร์อยู่เฉยๆให้หนักบาแต่นอกจากนั้นจิตใจก็ยังไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอถลกมัง่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์และไม่สมชื่อสมนามไม่สมกับความ กับพระประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรมเรากลับมาแบกกิเลสเพื่อการจดการตามการเรียนได้มากน้อยนั้นเลยเข้ากันไม่ได้นี่แหละทำกลายเป็นโลกมันเป็นได้อย่างนี้เองทำเป็นธรมก็ดังที่ว่าเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วต้องรู้ความจรงิงเพราะในแง่งการสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นสวดคาธรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดแวะไปเป็นความผิดนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นความผิดโดยลำพังตนเองแล้วปฏิบัติไปนั้นมีทางผิดได้เพราะปีนเกี่ยวกับความจริงคือธรรมที่พระองค์สอนไว้สาจนธรรมของพระพุทธเจ้า หากเป็นดังสินค้าต่างๆนี่ประกาศท้าทายได้เลยไม่ว่าจะนำไปสู่ตลาดใดที่มีวัตถุสินอื่นๆสินค้าอื่นอยู่มากมายก่ายกองพะนำสินค้าคือสาธนาธรรมนี้ออกไปถึงจุดใดจุดนั้นตลาดลบมไปหมดเพราะคนหาของดีอยู่แล้วจว้า่าน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 ท่านผู้ใดมีความรู้ความเห็นมากมายเพียงไหก็เป็นการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นค้าสิทิแต่ตนและผู้อื่นออกได้มากน้อยเียงนั้นแล้วไหนจะไปเที่ยวโอ้เที่ยวอวดซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นแล้วก็ไม่สมกับว่าปฏิบัติเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลส อ, อีกด้วยด้่ยเห็นนี้เองผู้ปฏิบัติเป็นธรรมรู้มากรู้น้อยเพียงไรท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบ ควรจะพูดหนักเบาม า, างน้อยทัางกะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็ไม่หนักอยู่ไปแบบสมณะคือสงบด้วยเหตุด้วยผลพูดก็พูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยที่ท่านว่าสมนานันจะดัชนังเอตมังคารมุตตมังการเห็นสมณะพูดสงบจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุด สมณะตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปสมณะที่หนึ่งพระโสดาที่สองสกิทาคาอน า, นาคาอระหัดเป็นเรียกว่าสมณะเป็นขั้นขั้นถ้าเราพูดในเป็นบุคลาทิษฐานหมายถึงท่านพูดเป็นสมณะตามขั้นภูมิแห่งธรรมนั้นๆเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอน า, นาคาพระรหันก็เป็นมงคลแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้กล่าวไหวบูชาท่าน เป็นขั้นนอกย้อนเข้ามาภายในการเห็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามภายในจิตใจด้วยการพิจารณาสัจธรรมเป็นเครื่องเปิดเผยมรรคผลนี้ขึ้นมานั่นเป็นมงคลสูงสุดยิ่งแน่ย้อนเข้ามาให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราไม่งั้นเราก็จะคอยมองหาตั้งแต่สมณะภายนอกอ สำน้องค์ไหนท่านเป็นพระโสดาองค์ไหนท่านเป็นสกิทาองค์ไหนท่านเป็นพระอนาคาองค์ไหนท่านเป็นประธานองค์ไหนท่านก็มีมีเบอร์เหมือนเบอร์ในร้อยในพันจะไปดูท่านได้ยังไงอืถ้าท่านเป็นพระโสดาสกิตาคานาคารินจะไม่มีทางทราบท่านได้ด้วยอากัศกิริยาที่ท่านจะมาแสดงถ้าท่านสมมาแสดงออกท่าออกทางดังที่โลกสกปรกทํากันอย่งนี้ท่านไม่ทําท่านทําไม่ลงไม่ใช่วิสัยที่ท่านผู้สะอาดพู มุ่งต่ออัตธรรมผู้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะทำได้อย่างนั้นการที่จะหาสมณะอย่างนี้มากราบมาว่ามันไกลไปมันดูห่างเหินไม่ทราบจะเด้ดพบพระท่านเมื่อไหร่โอวาทอันใดท่านสอนบุคคลลงเพื่อให้บรรลุถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนำโอวาทนั้นเข้ามา ปฏิบัติต่อตอนของเราเพื่อให้สําเร็จเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาพายใจิตใจของเรานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเรียกว่าจับถูกตัวเลยไม่ต้องไปตามร่องตามรอยหรือตะคุบเงาที่ไหนให้เกียวเว้แล้วไม่หล า, เ, าเราพบครูบาอาจารย์ผู้ท่านเป็นอดเป็นธรรมเป็นผู้มีกายวาจาจารย์สงบหรือท่านเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามก็เป็นการดีเมื่อไปพบแล้วเราอยาให้พลาดจากสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามซึ่งจะ เกิดขึ้นหน้าทานในจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติของเราที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปูขาดจะพึงได้รับผลโดยทั่วถึงการเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วเราจะมีคนน้อนเข้ามาหาเราโสตาะเขาแปลว่ากระแสรกระแสพลันพานธาตุถึงถึงเราก็จะไปขาดไปหมดแล้วกระแสพโสดาดเป็นยังไงกระแสกว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดขนาดไหนจะขาดไปนั้นเนี่ยเป็นโรคไปออีกื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 จะปรับปรุงให้เป็นพระโสดาก็ไม่ได้พระสกิจทาคาคก็ไม่ได้พระนาคกาา์ก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่ได้แล้วจะปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้อย่างไงนอกจากกิจดวงเดียวเท้งนี้เป็นผู้สามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ปกปิดกาบังมืดมิดปิดตาอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้ไปดูลำดับความสงบมาเอง ที่ไม่สงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อขวนเป็นผู้ดุ่ยแยให้วุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาแต่เรื่องวุ่นวายตัวเองก็คือเรื่องของกิเลสจะให้คนสงบได้อย่างไรเรื่องของกิเลสจึงไม่ใช่ของดีกันให้แต่อะไรมาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตําหนิตลอดสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นถือ่าเป็นของดีทีนี้ก็ต้องได้บ่นกันอื้อั้งหมดมันดีทั้งในบ่นการการที่จะได้บ่นกันมาเ น, นี่ก็เพราะเรื่องของกิเลสพาให้เนี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 ทุกขังอริยสัจจังนี่สัจธรรมอันหนึ่งทันว่างนั่นชาติปิปุกขาชร า, าปิปดูขา ม, มารนามปิปุกขังโสกกะปิเทวทุกโรมนัสุ ป, ปาญาตเลื่อยว่าไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทุกนี้ที่แสดงตัวมานี้มีสาเหตุเป็นมาจากอะไรก็เป็นมาจากความเกิด เกิดเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ตัวเกิดจริงๆเป็นต้นเหตุมาจากอวิชชาปัจยาสร้างฆาลนะ่ะแล้วอะไรที่ทําให้เกิดกมไม่ใช่อวิชชาปัจยาสร้างฆาละจะเป็นเพราะอะไรท่านขึ้นตรงนั้นเลยนถ้าอาจารย์มั่นท่านแยกตรงนี้อีกน่าฟังมากถ้าวัตทิติปูภูต่างอวิชชาปัิยาสร้างฆาลนะ่ะอวิชามันไม่มีที่ที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่เกิดไม่เกิดได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยถีติภูตังคือธรรมชาติที่เป็นเป็นอยู่คือธรรมชาติที่รู้ทันไหวหมายถึงใจท่านพูดแยกออกมาทิภูตังอวิชาปัญญาสร้างขารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นพบเป็นธาตุขึ้นมาอันนี้แหละอันนี้มีแยกออกเป็นสามประเภทนันทีราฆาตตาตาตาตาตาลายพินานินีเต้ยที่ดางกาณาตนาภวสารวิภ ว, วตันหานี่ นว่านี่แหละคือสมูทไทยสมมติสมุติยอย่างอริษฐ์จังสมุติไทยอริษฐ์จังก็ได้นี่ก็เป็นอธิษฐ์แล้วจะนําอะไรเข้ามาแก้สมูทไทยอธัตว์นี้ล้วนแน่ตั้งแต่สิ่งที่จะทํากิจให้ขุนมัวเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่ควรกิตใจให้ขุนมัวจนเป็นตมเป็นคนได้ทั้งนั้น ในบรรดาสมุทรไทยมากน้อยที่กล่าวมานี้การมาตัญหาก็ตามภาวะตัญหาก็ตามวิภวะตัญหาก็ตามเป็นความหิวความโหยความทนอยู่ด้วยความผาสุขสบายไม่ได้ความหาความสงบสุขอยู่ด้วยลําพังตนเองไม่ได้เพราะคำมาตัญหาต้องหวิวต้องโหยต้องดิน้นต้องลงเดินไปทางโน้นดินมาทางนี้ดินประทะหนึ่งเป็นการปั ะ, ะหาดินมาทาห ะ, หา ะ, ะหนึ่งเป็นภาวะตัญหาดินประถนหนึ่งเป็นวิภวะตัญหามันล้วนแล้วตั้งแต่ ความหิวโหยที่จะทําให้จิตใจดิ้นด้วยอนาจของกิเลสเหล่านี้เป็นเครื่องกดขีบ่บังคับหรือรีดไถพูดยังไงเอาอย่างนี้นี่จิตที่ ท, ทรงตัวไม่ได้ตามปกติของจิตก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ทําลายหรือเป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุ่ยแยเป็นผู้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะแก้นี้ด้วยวิธีใดท่านก็สอน สมาทิฏฐิสมามาสังกปร์ขึ้นเลยนี่มัคคะอริยสัจจงเป็นเครื่องแก้ธรรมาชาติที่ก่อขอวัวุ่นวายให้จิตมีความละสัมละสายไปเพราะอํานาจแห่งความหิวโหวยทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าสัตว์หระบุคคลถ้าเกิดความหิวโหวยขึ้นมาแล้วไม่ได้ทางสุจริตเอาทางทุจริตไม่ได้ทางที่แจง้งเอาที่รับเอาเต็มได้เพ่าะความหิวโหวยมันดิมนดมันบังคับให้ต้องทำํำนี่เพราะความหิวโหวยคือ ตันถาสนัแปลว่าความทะเยอทยานความอยากหมายถึงความหิวนั่นเองมันทับมันบีบบังคับจิตใจให้ต้องเสือดต้องคลานไปต่างๆนานาเพราะอยู่ใต้อนาถของมันต้องเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเหตุนี้เองจะทุกข์เพราะอะไรทะทเพราะทุกข์เพราะสมุทัยเป็นผู้ลากผูกเข็นให้ถลอกปอกเปิดไปทั้งวันทั้งคืนเดินๆนงงอนอาการที่คิดออกมาเนีไยนาีนี่จะทุกข์สมุทัยนี่ถุดลากเข็น เห็นตีทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาดับสิ่งเหล่านี้มากแก้สิ่งเหล่านี้ต่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรมรมปโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายมุลสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องปราบปรามทิเด็ดทั้งสามประเภทนี้ให้สิ้นซ่าลงไปจากจิตใจไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะเหนือไปกว่ามัชฌิมาปฏิบัตานี้นั่นเนี่ย สมาทิฐิความเห็นชอบเห็นอะไรถึงชอบเวลานี้มันเห็นผิดทั้งนั้นการมาตัญหาคือความเห็นผิดเพราะว่าตัญหาคือความเห็นผิดวิปวัตตัญหามันร่วนแด้ตั้งแต่เป็นเรื่องของความผิดทั้งนั้นมันถึงได้เป็นกล่องถูกอืมแล้วทำไมมันถึงชอบปัญญามันถึงรักรักเพราะเหตุอะไรมีปัญญาโค้นลงไปมันก็ไม่หนีจากกายเหมือนกันรักกัรักกานี้ก่อนอื่นรักกานี้ก็รักกายนั้นอืมระว่างการมาตัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ แยก้าเหตุถาผลออกมานั่นรักเพราะอะไรรักเนื้อรักหนังรักเอ็นรักกระดูกรักผมรักขนองนั่นหรือของใครของเรามันเป็นเหมือนกันนรักอะไรมันแยกให้เห็นเนี่ยคิริยาที่แยกหรือทําการแยกเช่นนี้ท่านเรียกว่ามรติธรมมาทิฏฐิคือปัญญาไกลกรองกันกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือว่ามันยึดถือเพราะอะไรมีสาระคุณอะไรมันถึงได้ยึดได้ถือความยึดถือ แทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความถูกความสบายมันกลายเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองให้เกิดความลําบากลําบนทนทุกทรมานเพราะความยึดความถือความยึดคันถือมาจากความทั้งพันปิดเข้าใจว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันเป็นความผิดไปทั้งนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้ให้เห็นตามความจริงของมันทำเป็นสอนที่เจรณากายเนี่ยกายละขตตาสติเอ้าพิจารณาไปทั้งทางนอกทางในข้างบนข้างล่างภายในภายนอกพิจารณาให้ละเอียดทั่วถึง ทำแล้วทำเหล่าจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนนี่เรื่องของปัญญานี่เป็นเครื่องปราบความอยากความหิวความกระหายซึ่งเกิดขึ้นจากอํนนานาจของกิเลสไม่มีอันใดที่จะระ ง, งับหรือดับสิ่งนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสงังกปอันเป็นองมตะแปลกนี้เท่านั้นนี่มัคคะอริยสัจังนี่เครื่องมือ ดำเนินก็ดำเนินตามนี้ปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันลงไปที่ตรงนั้นตรงไหนที่มืดที่ดำตรงนั้นล่ะอสราพิษมันอยู่ที่ตรงนั้นที่ปัญญายังตามไม่ถึงที่ตรงไหนตรงนั้นจะจเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาขึ้นมาที่ตรงนั้นปัญญาสอดแทรกลงไปไม่เห็นลงไปตามความจริงแล้วเปิดเผยขึ้นมาอืไม่มีคํามชาติไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเขาเราไม่มีมีได้ยังไงปัญญา อย่างลงถึงความจริงเนี่ยชึ้นอันนี้เป็นเรื่องจำป้อ ม, อมจําป้อมเกิดมาจากที่เดชึงผู้เสดสันเท่านั้นไม่ไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเสดสันทีนี้ปัญญาตามล้างช้าล้างให้สะอาดลงไปในของทั้งระโปรงเหล่านี้ถอนตัวขึ้นมาที่ถูกกดท่วงเพราะอำนาจอุปท า, านมาเปน็นเวลานานปัญญาบรรพดถอดถอนขึ้นมาถอนกรรมสิทธิ์ไม่ปักปัเนเศษแดนเอาว่านั่นเป็นเราทั้งเรา เขตแดนของเราที่ทําให้ความเกิดความทุกข์ความลำบากเฉพาะอย่างยิ่งก็ในวงแห่งฐานทั้งห้านี่ยมันเป็นเขตแดนที่เราปักปันเอานั่นเป็นเรานิ้วเป็นเราเมื่อเป็นเราหนังเป็นเราเอ็นเป็นเราก็ดูกเป็นเราแขนเป็นเราขาเป็นเราเป็นของเราอาวะทุกชิ้นทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราเต็มอยู่นี่หมดเนี่ยว่างไหนี่มันตักปั้นเขตแดนเราทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากเรา แต่เราไปปักปันเขียดแดดเอาเมื่อมีอะไรมาล่วงล้ำหรือมนียนอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เกิดความเจ็บความไม่สบายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจอีกนอกจากเกิดความทุกข์ขึ้นภายในกายแล้วยังเป็นทุกข์ภายในจิตใจเพราะความรักความสงวนความปักปันเขียดแดนด น, นั้นเป็นต้นหินเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นตามความปริมของมัน ท่านเรียกว่าพุทธนาสัจธรรมด้วยปัญญาสัมมาทิฏิิสัมมาสังกปโปความดำริชนิดใดที่เป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสอเมญาปะละสังกโปเป็นกว่ายิงสาสังกัปโปะเปนกว่าไม่พยาบาทไม่เยียดเบียน เรื่องของกิเลสเป็นการพยาบามบเป็นการเบียดเบียนตยัวตนโดยหลักธ ร, รรมชาติก่อนที่จะระบาดออกไปกระเทือนคนอื่นต้องกระทบกระเทือนตนซะก่อนเบีดเบียนตนซะก่อนนี่ถ้าความเห็นผิดของจิตเพื่อน้าของกิเลสขึ้นเลยสัมมาสังกปโปจึงต้องแก้กันตรงนี้รวมกันแล้วสัมมาสังกโปกับสมาธิฏฐิมันก็เหมือนกับว่าเชือกสองเกลียวที่ฟ่ันกันเข้าเป็นเกลียวเดียวนั่นเองอืมแล้วเต็ เชือกเส้นหนึ่งขึ้นมามีกำลังท่านแยกอาการเฉยๆแล้วก็คือเชือกหนึ่งเส้นนี้เชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละหรวมทั้งแปดนั้นก็มาเป็นเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละปัญญาเราจะพิจารณาอะไรถ้ามพิจารณาแก้สิ่งที่พัวพันจิใตใจของเราอยู่ลานี้เราแก้ที่ตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป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 คือ ร, รูปเวท น, นาสัญญาสังขนานวิญญยเอาตรงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์หรือพิสูจน์สิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นป้าหมายแห่งการพิจารณาให้เห็นตามความจริงพวกมันเทศไปที่อื่นไม่สะดวกใจถ้าเทศลงตรงนี้แล้วมันถนัดเพราะนี้เป็นตัวจริงยิ่งใก็อยู่ที่ตรงนี้มรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ฤทธิ์ชาจิธรรม ทุกสมุทัยก็อยู่ที่ตรงนี้นิโรธกับมรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ดับกิเลสไปโดยลําดับๆแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะไม่เรียกว่าจะไม่ดับได้ยังไงถ้าติปัญญาเป็นเป็นผู้ฟาดฟันกิเลสกิเลสทิพไห้ตายลงไปก็เป็นการดับทุกข์ไปโดยลํำดับๆนี่ใครจะไปตั้งหน้าตั้งตาทําวิถีได้ทําการดับทุกข์โดยไม่ต้องดําเนินมาเป็นไปไม่ได้ท่านบอกว่า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 ถ้าเราไปแยกไปแยกงั่นเราแล้วเท่านั้นแหละเราต้องพิจารณาลงไป้หเห็นชัดเราใครเห็นชัดถ้าเห็นรูปชัดแล้วเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไม่ไหวรูปเป็นรูปเวทนาก็สักเป็นนามนธรรมหาตนหาตัวหาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหาเราหาเขาได้ที่ไหนกับเวทนาไม่ว่าจะสุขเวทนานุขคุ ก, กเวทนามันมีลักษณะใกล้เคีนงกัน มันเอาเป็นเป็นเป็นตัวเป็นจัดเป็นบุคคลที่หนไน้มันเป็นนามาทําเพียงวนั้นปรากฏขึ้นให้จิตได้ทราบว่าอาการนี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะแห่งความทุกข์เป็นลักษณะแห่งความสุขแล้วก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยที่พาให้ดับี่ปัญญาจึงมีทางที่จะทราบได้ตามสิ่งที่มีอยู่เพราะไม่ใช่เป็นของลี้ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยด้วยสิ่งที่มีอยู่ปรากฏขึ้นมาของอขันนั้นๆ รูปประคันก็เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพายืนพาเดินก็พารูปประคันนี่เองพาเดินพาอยู่เหตนาขันก็ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันก็แสดงอยู่ให้เรารู้อยู่ไม่สุขก็ทุกมันจับเปลี่ยนกันไปมานี่แหละสําคัญที่ใจอย่าให้ทุกด้วยทุกให้ ท, ทราบว่าขันนี่มันเป็นไอ้จางทุกขังตาจะให้จิตไปยุ่งกับเขามันก็ไม่เป็นทุกขัง เวทนาเวทนาเทศทุกวันเวทนาเอาให้เข้าใจกิเลสมันเกาะแน่นอยู่กับขันห้านี่ลีลไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ทราบว่าของเก่าของใหม่มันเกาะซะจนแน่นเกาะมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะการพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งจริงไม่พอการเทศวันหนึ่งเวลาหนึ่งจริงไม่พอต้องเทศย้ำเทศ ซำก่นให้มันเข้าใจให้เป็นที่แน่นอนพิจานาก็ให้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจแน่นอนแล้วมันต่อยเองเอาให้เห็นชัดเวทนาทุกขเวทนามีอยู่ที่ไหนมั่งมีที่ไหนก็คือทุกเวทนาจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นธรรมชาติความจริงเขา อ, อ, อยู่เช่นนั้นสัญญากับจาได้เราเคยจํามาเท่าไหร่แล้ว ต้งแต่มันเกิดตัวปั่นนี่มีเนื้หาอะไรถ้าว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นสาติเป็นบุคคลจริงๆแล้วเอามาใส่ตู้ก็งคงจะไม่มีตู้ที่ไหนใส่ละเพราะมันจำไม่หยุดไม่ถอยแต่พอจําแล้วมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแนย่เอาสาระแข็งสานอะไรกับเสียงทั้งขานปรุงวันยัางค่าคืนยั ง, งรุงตุ้งซะจนร้อนหัวอกก็หมีถ้าตุงมากๆตุงจะแทบหัวใจจะไม่ทํางานเครียไปหมด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 มากเนั้นเป็นบ้าได้คนเานาดารับความคิดมากมันดีก็้หลงทั้ ง, งขานวิญญาณก็เพียงรบบับทราบเท่รับทราบแล้วดับไปพร้อมดับไปพร้อมนลยท่าคือรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสมีสาระแต่งสารที่ไหนนี่เราหลงจริงเหล่ า, ลานี้แหละแล้วไม่หลงที่อื่นนะภายนอกนั้นมันก็เป็น ผลถอยได้ของกิเลสไปอีกประเภทหนึ่งนั้นนะ่ะหลักใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้เป็นต้องพิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นชัดนี่เรียกว่าดำเนินมรรคปฏิปทาหรือเรียกว่ามรรคสัต์เครื่องแก้วความรุ่งหลงความวิตมั่นถือมั่นของใจให้ถอดถอนตัวออกมาใจจะได้สบายหายห่ยหวงจากสิ่งเหลนี้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 ใครจะไปปิดกังกันห่วงห้ามให้มันเป็นไปได้เลย<ม>พิจนาให้เป็นไปตามความจริงของมันที่เรียกว่าโคนไม้ตามลมอย่าไปขัดขวางทำเจ้าให้รู้ตามความจริงแต่ก็สบายใจอยู่กับกิเลสใจอยู่กับความวุ่นวายผลแห่งความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นโทษของมันมาแล้วที่ให้ใจอยู่กับธรรม ใจอยู่กับสติใจอยู่กับปัญญาใจจะได้มีความปลอดภัยใจจะได้มีความร่มเย็นขึ้นชื่อว่ขี้เล่นแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามแก้ให้หมดแก้ภายนอกได้แล้วเข้ามาแก้ภายในธาตุในขันภาในธาตุในขันแล้วแก้ภายในจิต ด, ด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งทะลุ ป, ปุโปรงไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าตนว่าตัวว่าศาตร์ว่าบุคคลมันหมดปัญหาไปในทันทีทันใดเมื่อที่เล็ด ซึ่งเป็นตัวเสกสันว่าเป็นจัตวเป็นบุคคลได้ชิ้นลงไปจากจิตใจแล้วมันหมดไปเองคําว่าสัตวก็ตามบุคคลก็ตามไม่คิดให้เสียเวลาเวลายิงอย่างไรก็อยู่ตามความจริงล้วนๆ น, นั่นคือผู้หายกังลางบนหาจริงๆหายที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่สัจธรรมที่นี่สัจธรรมก็คือทุกข์กายทุกข์ใจ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 ในสมุทไทยตัวสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอะไรเหลือแล้วนิโรดแสดงความดับทุกข์เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะนั้นขณาดนั้นอย่างเต็มภูผู้ที่รู้ว่านทุกข์ดับไปกิเลสดับไปเพราะสมุทไทยเป็นเครื่องทำลายนั่นคือวิมุตไม่ใช่สัจธรรม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 อันเป็นจุดที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปดังนั้นมีเรื่องของมารคคือสติกับปัญญาเป็นต้นเมื่อทาหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิกิดได้ถึงขั้นแห่งความลุพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาสวัสว <S <S ทั้งมวลก็หมดปัญหาไป ต, <S <S <ๆ>ตามๆกันนี่แหละคือความเด็น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 เราเจอเต็มภูมิด้วยมัคคับติปทาอันแหลมคมนี่เป็นผู้ทรงไปแล้วซึ่งสมณะทั้งสิบรวยพานาจิตใจของเราเอตมังคณมุตตมังเป็นม ง, มงคลอันสูงสุดอยู่ที่ใจของเราเองไม่ต้องไปหาสิริมงคลมาจากไหนใจที่พ้นจากเรื่องกดทวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นแหละ คืออันมุเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นภูมิอะที่กรามาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในที่อื่นใดสัจธรรมก็ดีธรรมะที่สี่ก็ดีหรือตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองที่สามจนกระทั่งถึงที่สี่ก็ดีอยู่กับผู้ที่รู้รนี่แหละเป็นผู้ที่จะรับทราบเป็นผู้จะส่งไว้ซึ่งธรรมะ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 ไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้จินทรงตัวได้อย่างเต็มภูมินี่ถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าสมาณะที่สี่อย่างเต็มภูมิถ้าเรียกว่าเป็นธรรมก็อรหัตตธรรมยุภานาจิตดวงนั้นผิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะค้านไม่มีอะไรที่จะแยง้งเมื่อไม่มีกิเด็ดมาแย้งแล้วไม่มีอะไรแยง้งี่เด็สหมดไปแล้วจะ อ, อะไรมาแยง้งไม่มี นั่นแหะความหมดเรื่องหมดราวหมดอะไรหมดที่ตรงนั้นความดับทุกข์ดับที่ตรงนั้นดับพบดับชาติดับที่ตรงนั้นที่อื่นไม่มีที่ใดเป็นที่ดับการประเกิดภพเกิดชาติก็คือผู้นี้แหละเป็นเชื้อแห่งพพแห่งชาติเพราะเชื้อของพบของชาติได้จากกิเลสอยู่กับจิจิตจึงต้องเล่ย์เอนล่อนไปเกิดในภพน้อยทุใหญ่ได้รับความทุกข์ความลาบม า, มาโดย ล, ลําดับํานาเพราะมีเชื้อพาให้ไป มีเครื่องหนุนทาให้ไปเมื่อสนาดปัดสิ่งปัจจัยหรือเครื่องหนุนอะไรเชื่ออะไรออกหมดแล้วจึงหมดปัญหาหมดลงที่ตรงนี้ขอให้พากันพิจารณาเอาให้ได้ทมนี้เป็นได้มีได้สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวช ด, ด้วยคาราะด้วยการปฏิบัติของกฎไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับใบใดทั้งสิน้น มขอยึติเพียงเท่านี้